หลวงปู่มั่นสอนอะไรท่านพ่อหลีท่านพอ่นพอหลีธรร ม, มัทโรพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบารมีและบุญที่สั่งสมไว้มีชีวประวัติอันงดงามท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติีปฏิบัติชอบที่มีภูมิธรรมและพลังจิตสูงยิ่ง มีจริยวัดที่งดงามมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในการเผยแพร่สัตธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสมศักดิ์สิทที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมให้เป็นอัศวินแห่งกองทัพธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่มีธรรมะเป็นอาวุธจนได้รับสมัญญานามว่า อสุวินนครกธรรมของพระกรรมฐานสายป่าท่านเป็นพระผู้ลำเลิ้อด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพ บ, บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกนามบรรดาสานุสิตของท่านก็มีมากมายท่านเป็นพุท ธ, ธายาที่องค์อาจในศีลบารมีสมาธิบารมีและปัญญาบารมี อีกท้งเป็นพระนักปฏิบัติที่องค์อาจในการเผยแพร่ธรรมะโดยแท้ปฏิปทาอันลมุลละไมของท่านทำให้บรรดาสาธุชนเลื่อมใสทั้งกายวาจาและใจคันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ซาบซึ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงสั่งสอนอบรมพุทธบริษัทให้เป็นบุคคลพลเมืองดีในชาติ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่บูชาแสงแห่งพุทธธรรมส่องสว่างโดยพุทธสาวกผู้บริสุทธิ์ให้ความอบอุ่นสงบสุขแก่ผู้คนทั้งปวงท่านจึงเป็นสิทธิ์ที่พระอาจารย์มั่นเมตตาและให้การยกย่องเป็นพิเศษว่ามีพลังจิตสูงเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหานเจียบขาด ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมและพระหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงท่านพหลีด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่าเรามองดูท่านพหลีทีแรกเราก็เลื่อมใสเลยนะท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาจริงๆน่าชมเชยน่าเคารพน่าเลื่อมใสมีสง่าราศี สงาา่าผ่าเผยองค์อาจกระหารเด็ดเดี่ยวจริงจังเป็นนักเสียสละท่านพระอาจารย์มั่นโปรโดที่จะสนทนาและเมตตามากไม่เคยตำหนิอะไรเลยมีแต่ยกย่องชมเชยท่านพ่อหลีนับว่าเป็นพระเถระที่มีพลังอำนาจจิตสูง และสำคัญยิ่งรูปหนึ่งในสายกรรมฐานของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ประสบความสำเร็จทั้งในทางธรรมและทางโลกท่านได้บรรลุภูมิธรรมในขั้นสูงสุดและองค์ท่านทราบว่าอดีิชาตได้เ ก, เกี่ยวข้องกับจอมจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอาโศกมหาราชโดยตรงครั้งแรกที่ท่านบลีเข้าไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในปีพศ2469ท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนบทภาวนาสั้นๆว่าพุทโธคำเดียวและสั่งให้ไปอยู่ป่ากับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิดที่เสนาสนับป่าบ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบนราชธานีปี2474 ได้มีโอกาสพบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบรมนิวาสอีกครั้งท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนธรรมใจความสั้นๆว่าขีณาชาติอุสิตังพรัมมะจริยันติพระอริยเจ้าขีณาศพทั้งหลายท่านทำตนให้เป็นผู้พ้นจากอาสวะแล้วมีความสุขนั่นคือพรหมจรรย์อันประเสริฐ จากนั้นกลางปีสองพท่านได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพ่อหลีเล่าว่าในขณะอยู่ที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ได้ออกบินทบาทกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นนิดขณะเดินบินทบาทท่านได้สอนกรรมฐานเตือนใจอยู่เสมอพอเห็นหญิงสาวสวยๆ ง, งามๆผ่านมา ท่านบอกว่ามองดูให้ดีสินั่นเป็นอย่างไรสวยไหมงามไหมดูให้ดีๆ ด, ดูเข้าไปข้างในมูดครูดทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรเช่นบ้านหรือถนนสัตว์หรือสิ่งของท่านก็จะให้โอวาดพร่ำสอนเตือนใจท่านพอลีทุกวี่ทุกวัน จีวรใหม่สบงใหม่ที่คนเขาวามาถวายท่านพระอาจารย์มั่นจะไม่ให้ท่านพอลีใช้ให้ใช้สบงเก่าๆ ข, ขาดๆวินวินเอามาปาชุนใช้พื้นที่มีสีสันสดสวยหรือสีขาวท่านพระอาจารย์มั่นให้เอาไปทําลายสีเดิมแล้วย้อมด้วยแก่นขนุน วันหนึ่งท่านพ่อหลีได้เดินตามท่านพระอาจารย์มั่นไปบินตบาทถึงที่แห่งหนึ่งท่านเอาเท้าของท่านเตะกางเกงขาดที่เขาทิ้งไว้ข้างถนนแล้วก้มลงเก็บกางเกงขาดตัวนั้นขึ้นเหน็บไว้ใต้จีวรเมื่อกลับถึงกุดีแล้วท่านก็นําเอาไปซักและพาดไว้ที่ราวตากผ้าแห่งหนึ่งต่อมาวันหลังได้เห็นกางเกงขาดตัวนั้น ได้กลายเป็นถุงย่ามใบน้อยและสายรัดประครบเอวที่เย็บเองด้วยมืออันกระทัดรัดท่านบอกว่าท่านหลีถุงย่ามใบนี้และรัดประครบอันนี้เอาไปใช้ซะแล้วท่านพ่อหลีได้กล่าวสรุปในเรื่องนี้ไหมว่าการได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์ม่านนี้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุด ต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดีและละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่กับท่านได้เวลาเดินบนพื้นกระดานทำเสียงดังก็ไม่ได้เดินไปแล้วมีรอยเท้าติดพื้นก็ไม่ได้เวลาคลื่นน้ำมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาเปิดประตูมีเสียงดังก็ไม่ได้ เวลาจะตากผ้าเก็บผ้าพับผ้าปูที่นั่งที่นอนเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําอย่างเป็นผู้มีวิชาต้องละเอียดละออรอบคอบเรียบร้อยทําอย่างตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจจะต้องถูกไล่หนีกลางพรรษาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอดทนพยายามใช้ความสังเกตของตน บางวันเมื่อฉันแล้วจัดแจงเก็บบาทเก็บชีวรผ้าปูนั่งปูนอนกระโถนการน้ำหมอนและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของท่านซึ่งต้องเข้าไปจัดไว้ก่อนท่านเข้าไปข้างในจัดเสร็จแล้วก็ต้องจดจำไว้ในใจแล้วรีบกลับออกไปอยู่ในห้องของตนซึ่งกั้นไว้ด้วยใบยตองเจาะช่องฝาไว้พอมองเห็นบริขารและตัวท่านได้เมื่อท่านเข้าไปในห้องแล้ว S <S <liquid atus> เห็นท่านมองท่านล่างข้างบนตรวตราบริหารของท่านบางอย่างท่านก็หยิบย้ายที่บางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องเราก็ต้องคอยมองดูแล้วจดจําไว้วันหลังก็ทําใหม่จัดใหม่ให้ถูกต้องอย่างที่เห็นท่านทําเองต่อมาวันหลังเมื่อเข้าไปจัดเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องของตน มองลอดช่องฝาสังเกตดูว่าเวลาท่านเข้าไปในห้องท่านเข้าไปแล้วนั่งนิ่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองดูข้างบนข้างล่างแล้วก็ไม่จับต้องอะไรอีกผ้าปูนอนก็ไม่กลับแล้วท่านก็กราบสวดนมนต์ไหว้พระสักครู่หนึ่งท่านก็จำวัดเมื่อเห็นเช่นนี้ เราก็ดีใจว่าเราได้ปฏิบัติเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านนอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็ได้ฝึกหัดจากท่านไปจนเป็นที่พอใจทุกอย่างแต่ก็เอาอย่างท่านได้มากเพียง 60% เอร์เซน์เท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นสั่งกับท่านพ่อหลีว่า ให้ช่วยท่านในเรื่องสืบทอดข้อวัดปฏิบัติเพราะท่านเองไม่ใคร่เห็นใครที่จะช่วยได้และสั่งกำชับเป็นพิเศษว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นสถานที่อาศัยวิเวกของบรรดานักปราดในการก่อนฉะนั้นก่อนที่ท่านพอลีจะออกจากจังหวัดนี้ให้ปฏิบัติตามสามข้อ1 ให้ไปพักวิเวกอยู่บนยอดดอยขมอจังหวัดลำพูนสองให้ไปพักวิเวกในถ้ำบวบทองจังหวัดเชียงใหม่สามให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านพลุลีท่านกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละไม่เห็นแก่ตัว บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แต่ไม่ช่วยพระพุทธเจ้าย่อมไม่สรรเสริญบุคคลชนิดนั้นและตัวเราเองก็ติดเตียนตัวเราเองถ้าหากเราจะทำอย่างนั้นบ้างเราก็สบายไปนานแล้วไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนี้ก็เพราะเห็นแก่าศาสนาเป็นส่วนใหญ่ หลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่นกล่าวชมและต้อนรับท่านพลีในคราวท่านพลีไปพักที่วัดบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครว่าหลวงปู่มั่นชมตลอดว่าท่านลีนี่เด็ดเดี่ยวมากเพราะท่านลีเคยอยู่กับท่านมานานหลวงตาเล่าต่อไปอีกตอนหนึ่งว่า พอท่านพ่อหลีไปนมั ส, สการหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือหลวงปู่มั่นก็สั่งเราว่าไปจัดที่พักในป่าให้ท่านหลีนะท่านหลีไม่ได้อยู่ในป่ามานานแล้วกระดูกหมูกระดูกควัวเต็มคออยู่นี่เห็นไหมท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านเมตตากันนะภายนอกฟังไม่ได้ภายในลึกลับอยู่ด้วยกัน เราอยู่กับท่านมาแสนนานท่านก็ไม่เคยบอกให้เราไปจัดเสนาสนะให้องค์อื่นเลยพอตอนเช้าฉันเสร็จเราเข้าไปจัดที่พักในป่าก่อนแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็เดินด้อมๆตามไปดูกิริยาแบบ น, นี้ท่านไม่เคยทำกับพระองค์ไหนเลยท่านเข้าไปดูเองแล้วถามเราว่าไหนไหนจัดตรงไหนให้ท่านรีละ่ะ แล้วท่านก็มองโน่นมองนี่แล้วพูดแบบสบายว่าเออเข้าท่าดีนะคือเราเอาเตียงไปวางให้เรียบร้อยให้ท่านพักสบายสบายหน่อยนี่คือท่านพอลีท่านได้รับการต้อนรับพิเศษจากหลวงปู่มั่นเสมอมาเรื่องราวที่กล่าวมานี้ ผู้เขียนคิดว่าเป็นตอนที่สำคัญมากเราได้เห็นธรรมเกิรยาและธรรมโมจปัญญาที่อาจารย์กับสิทธิปฏิบัติกันดุจ ด, ดังพ่อกับลูกน้อยเห็นความเป็นมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกว่าท่านจะได้มาเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราช่างยากลำบากยากเย็นเหลือเกิน ท่านฝ่าฟันอะไรมาบ้างแทบเป็นแทบตายและไม่ง่ายเลยที่ใครจะทำอย่างท่านได้เพราะนี่คือสุดยอดแห่งพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในยุคปัจจุบัน